ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราเระลึกถึงอาตานาติยะสูตรพระสูตรที่ท้าวมหาราชมหาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสัง่งแนะนําพระภิสุหรือสอนพระพิสุให้เจริญภาพรปริตหรือที่เรียกว่าอาตานาติยะปริศเนี่ยนะเป็นภาพรปริตเครื่องป้องกันอย่างที่บอกว่าคอนอบน้อ ม, อมแด่พระวิปสัสสีพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มีพระจักสุมีพระสิริ ก็ถ้าเราเรียนพุทธวงศ์เนี่ยเราก็จะระ ล, ลึกถึงว่าคำว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ9กบดกับที่แล้ว อ, อย่างของนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าอันนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อส1บอดกับที่แล้วในก่ก็วันนี้มาขึ้นพระสิกขีพุทธเจ้าถอยหลังไปเมื่อสบอดกั เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่20บที่พยากรพระโพธิสัตว์นะว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะก็แสดงว่านับแต่วันที่พระวิปสิขีพุทธเจ้าพยากรมาก็31กลอกับเนี่ยนะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องผ่านโอยผ่านผ่านการหล่อล้อมผ่านสุขผ่านทุกขผ่านโสมนัสโทมนัส ผ่านสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดเลวร้ายที่สุดต้องประสบทุกอย่างว่างัน้นนะชีวิตที่ท่องเที่ยวไปในวัตาเนี่ยอย่างที่พระองค์อุทานหลังจากตรัสรู้บอกการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์เนนะเพราะคนที่ทุกข์แบบรู้ตัวว่าทุกข์เนี่ยนะมันจะมันมาถามว่ามันมันทุกข์ไหมรู้ตัวนะไม่ใช่อย่างถามว่าพระโพธิสัตว์ตอนทีทน่ท่านท่องเที่ยวไปในวาตาัตะท่านรู้หมอะไรเป็นอะไรบอกท่านรู้ คนที่รู้แล้วรู้แหละรู้รู้แล้วจําทนเนี่ยทุกขนาดไหนนะใครว่า อ, ด อ, อึดอัดอึดอัดเต็ ม, มทีแต่ก็ต้องทนเนี่ยนะใครที่เคยแบบอะไรนะอยู่ในบรรยากาศที่มันอบอ้าวทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องทนอยู่หรือแม้กระทัง่งอะไรนะอาหารที่เราไม่อยากจะทานแต่เราจําต้องทานถามว่ามันอึดอัดขนาดไหนฝ <f if> น, นตลบทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่อยากหายใจแต่จําต้องหายใจ สังสารวัฏมันก็เป็นลักษณะนั้นวันพระูพธิสัตว์เนี่ยท่านรู้ตัวเป็นอย่างดีแต่ก็ถึงรู้แต่ก็กรุณนานก็อันนที่ไม่ออกก็เพราะการุณานั่นเองกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายย้อนมาถึงวงพระสิกขีพุทธเจ้าพระองค์ที่20เนี่ยนะว่าต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเมื่อ เ1กับก็ผ่านไปร่วม6กกับเนี่ยนะร่วม60กับจึงได้มีพระพชินะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าพระองค์ผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเปรียบนะตรงนี้ยกตัวอย่างว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้านะก็แสดงว่าหมายถึงสัตว ไม่มีเท้าสัตว์4ี่เท้าสัตว์มีเท้ามากสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปเป็นต้นพระองค์ในสุดยอดของสรรพสัตว์ทั้งมวลเหล่านั้นพระสิขีพระองค์นั้นได้ทรงย่ายีกองทับมารโปรองบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเรว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้ที่สูงที่สุดในบรรดา การตรัสรู้สูงกว่าพระเสขะสูงกว่าพระโสดาบันสูงกว่าพระสกทาคามีสูงกว่าพระอนาคามีสูงกว่าพระอรหันต์สูงกว่าพระอรหันตสาวกสูงกว่าพระปเจกขพุทธเจ้าเพราะนนั้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นสูงสุดคือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมบูรณ์ด้วยพุทธคุณทุกประการพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย ก็คือเพราะไม่ไม่แทงตลอดธรรมะธรรมจากนั้นหมายถึงว่าการหมุนอริยสัจจะทำให้เป็นไปเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจึงต้องท่องเที่ยวไปในวัตฏะพบแล้วพบเล่ามันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์คือกรุณาอนถ้าเห็นคำไหนที่แปลว่าอนุเคราะห์มาจากบาลีว่าการุณาหรือมีความหมายว่าการุณาด้วยใจกรุณาที่หวังจะปลดเปือง หวังที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็เลยประกาศพระธรรมจักรเนี่ยนะประกาศพระธรรมจักรให้เขาเห็นอริยสัจธรรมเพื่อเปลื้องเขาให้พ้นจากชาติชรามรณะเป็นต้น um. เมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าจอมมุนีประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์แสนโกรนะเน้นที่พิเศษก็คือกลุ่มเทวดาทั้งหลายเนี่ยบรรลุมาก ก็ที่เข้าบรรลุมากเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เคยสั่งสมบุญจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเห็นความแก่กล้าแห่งอินทรีของเขาเหล่านั้นพระองค์ก็สอนทำตามอัธยาศัยจึงมีผู้ตรัสรู้ตามมากมายเมื่อพระผู้ประเสริฐแห่งคณะเนี่ยนะหรือผู้ประเสริฐที่สุดแห่งบริษัท หมายความว่าในบรรดามนุษย์บริษัทเทพบริษัทมารบริษัทพรหมบริษัทหรือว่าขติยะบริษัทพรามณะบริษัทขเรหะบดีบริษัทสมณะบริษัทจ่าตุมบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรหมบริษัทเป็นต้นพระองค์นี้สุดยอดแห่งหัวหน้าในบรรดาผู้ที่เป็นหัวหน้านะประเสริฐกว่าเจ้าคณะทั้งหลายในในบรรดาผู้ที่มีคณะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะมีผู้ประเสริฐมีผู้ที่เป็นใหญ่ พระองค์เนี่ยเลิศ ก, กว่าผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่เป็นหัวหน้าเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์งเป็นผู้สูงสุดในหมูนน่นรชนทรงแสดงธรรมะอื่นอีกก็คือประกาศอริยสัจครั้งต่อๆไปอีกอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่สัตว์9ก้า0มื่นโกดนะสำหรับผู้ที่สังสมอัทยาสัยสังสม อโลภัทยาสายัยอะโทสัตย์ยาสายัยอะโมหัตยาสายัยวิเวกัทยาสายัยเนคข ม, มัตยาสายัยและนิสรณัตยาสัยมาผู้ที่เตรียมไปด้วยอัตยาสัยเช่นนั้นเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจเขาก็จะรู้ตามเขาก็เห็นตามนัม้นผู้ที่ตรัสรู้ตามจึงมีประมาณ 90,000 ืโกดบอกโอ้เนี่ยทำไมมันเยอะอย่างนี้นะตัวเลขทําไมมันสูงส่งก็บอกว่า ไม่เยอะเท่าไรรอกปลาในแม่น้ําเจ้าพญา น, นับตูมันกี่ตัวเนี่ยนะเยอะแยะมากมายทีอบายเยอะแนละ้วทำไมอบายเยอะได้ทีผู้บรรลุธรรมและขอให้บรรลุน้อยๆอย่างเงี้ยนะมันเขาบรรลุมากก็เทียบดูว่าผู้ที่เขาสั่งสมบุญมาเนิ่นนานเข้ารอเนี่ยนะเขารอการตรัสรู้เหมือนคนกระหายน้ํารอดื่มน้ําอย่างที่ใครเคยหิวน้ําแบบคอแห้งมาหลายหลายหลา ย, ลา ย, ลายชั่วโมงเช่วยหลายหวันเนี่ยนะแม่ ฝันเห็นฝันได้ดื่มแต่น้ําเลยแหละฉันใดหรือคนที่หิวข้าวฝันทานแต่อาหารเลยแหละฉันใดผู้ที่เขาฝักฝ่ายที่จะตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ฉั น, นั้นเขาใจจดใจจ่อเขาอดใจรอมานานนะเพราะว่าอย่างพระสิขีผู้เทถชาวสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็สั่งสมบุญบารมีมาม า, มากอันผู้ที่คอยตรัสรู้ในศาสนาพระองค์ไม่ใช่น้อย จึงมีผู้ตรัสรู้ตามประมาณ9 0 0 0หมื่นโกดเมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงยมกกปาฏิหารยมกะปาฏิหา ร, เ, านะาหารเช่นกับพระพุทธเจ้าของเร า, เานะยมกกปาฏิหารเป็นการแสดงพิเศษเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่แสดงได้นะแสดงฤทธิ์เป็นคู่คู่เป็นปาฏิหารเพื่อกำจัดความไม่มีศรัทธาแสดงให้มี ศรัทธาเมื่อเขามีศรัทธาแล้วพระองค์ก็ประกาศให้เขาบรรลุธรรมคือคนปกติถ้าเป็นเหล่าสัตว์อื่นๆหรือผู้มีฤทธิ์ทั่วๆไปเทวดาทั้งหลายทั่วๆไปถึงมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ใดๆก็ตามโดยมากปาฏิหาริย์เหล่านั้นเพื่อสร้างความหลงงมงายให้แก่เขานนะให้เขามาพักดีแก่ตนให้เขามางมงายในตนเขาจะได้นับถือตนมากๆนับถือเยอะๆ แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์แสดงปาฏิหาริย์ให้เขาเลื่อมใสขจัดความเข้าใจผิดในพระพุทธคุณเมื่อเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจให้เขามีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพุทธกิจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญพุทธกิจของพระองค์ต่อไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าเมื่อทําปาฏิหาริย์เสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแสดงปาฏิหาริย์ในหมู่มนุษย์ให้หมู่มนุษย์ดู แต่หลังจากนั้นก็ไปแสดงธรรมที่ดาวดึงเพราะว่าเป็นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าเมื่อแสดงย ม, มะกะปาติหารเพื่อขจัดลทัทธิเดรธีหมายคาอว่ากำจัดความเข้าใจผิดความเข้าใจที่วิปรารคลาดเคลื่อนออกไปพระองค์ก็จะเสด็จจาพรรษาที่เทวโลกเพราะันสมัยนั้นเป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งยิ่งใหญ่ก็มีแก่ศัตว์ประมาณแ 0,000 ื่นโกดนะ พระสิขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็สแสวงหาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเป็นต้นที่ใหญ่พระองค์มีสันนิบาตการประชมพระอรหันต์ตะขีนาศบสาวกเนี่ยนะเป็นสาวกที่เป็นพระอรหันต์เน้นพิเศษว่าสาวกคือผู้ที่ฟังแล้วทำกิจตามคำสอนได้เรียกว่าสาวกขีนาศแปล ว, ว่าผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วสิ้นอาสะวะสี่ ผู้ฟังธรมจากพระองค์ธรรมกิจในอริยสัจละอาสวะทำอาสวะให้เสร็จสิ้นก็หมายถึงพระอาหารหันนั่นเองผู้ไร้มนทินคือราคะโทสะและโมหะผู้มีจิตสงบตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิผู้คงที่ในอิทธารมและอนิถารมสาวกของพระองค์นั้นมีการประชุมครั้งใหญ่อยู่3ามครั้งไห เป็นการประชุมแบบไม่ได้นัดหมายเป็นการประชุมเฉพาะเอหิพิคุอุปสำปทา น, นะเป็นต้นเนี่ยนะมีอยู่3ครั้งครั้งแรกสาวกประชุมกัน 10,000 อันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่1ส่วนครั้งที่2เป็นการประชุมภิกษุสาวก 80,000 รูปครั้งที่สประชุมภิกษุ7 0 0 0 0ภิกษุสันนิบาต หมายความว่าพระพิสุทิ์ที่มาอยู่ร่วมในสภาสภาสงฆ์นที่มาประชมุมร่วมกันในครั้งนั้นอันโลกธรรมแปดไม่ซึมทราบ น, นะหมายความว่าโลกธรรมทั้งหลายไม่เข้าถึงใจของท่าน น, นะโลกธรรมทั้งหลายให้ท่านรับรู้แค่ปัญจทวารแต่ไม่เข้าถึงมโนทวารท่านก็เห็นสีที่ดีและไม่ดีท่านก็ฟังเสียงที่เพราะและไม่เพราะท่านก็รู้กลิ่นที่ดีและกลิ่นไม่ดี ท่านก็รู้ว่ารถดีหรือไม่ดีท่านก็รู้ว่าสัมผัสนั้นดีหรือไม่ดีแต่จิตใจของท่านไม่ได้ดีไปกับหมายค่ะว่าไม่ได้เพลดิดเพลินไปกับอ า, อารมณ์ที่ดีหรือไม่ได้ขุนคล่องมองใจไม่สบายใจเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะโลกธรรมนั้นจึงไม่ซึมซาบเข้าไปในใจของท่านเพราะชวนะของท่านดํารงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะ นะอันโล ก, ก็ทำไม่ทราบเข้าไปอ่นะไม่ใช่กลุ่มฟองน้ําที่ซับน้ําเอาไว้ไปหมดนะนะเช่นอะ่ะถ้าเป็นปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งนะเราโอ้ยเก็บไปย้ำสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้งเว้นแต่คําพระพุทธเจ้านะนะถ้าคําแบบคนอื่นให้เขาพูดทําไมอย่างเงี้ยนะจำจำจำอยู่ไปคิดคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะเช่นะ ถ, ถ้าเขาตําหนิเราคําเดียวนะเราก็เอาคํานั้นแหละมาตําหนิตัวเอ ง, เองร้อยคำร้อยครั้งพันครั้งว่างๆก็นึกเอามาว่าอีกนั่นแหละ เขว่าแค่ครั้งเดียวนะแม่แต่เอามาซับเอาไว้ในใจนะแต่ถ้าพระพุทธพจน์เทศอ่านพระไตรปิฎกสามชั่วโมงจําอะไรไม่ค่อยได้เลยเนะี่ยมันไม่ค่อยซับเข้าไปเนี่ยนะพระริยเจ้าทั้งหลายเนะี่ยท่านไม่ซับเอาคําทั่วๆไปลงในใจของท่านหรอกนะท่านไม่ซึมไม่ซับไม่ไม่เหมือนกับกลุ่มฟองน้ำอันนะฟองน้ําที่ซับน้ำอันนะั้ไม่ใช่แบบนั้นท่านเป็นเหมือนกับดอกประทุมเหมือนกับดอกบัวดอกบัวเนี่ยนะจะเจริญงอกเงยในน้ํำขราก็ได้ แต่เมื่อผุด น, นะโผลขึ้นมาแล้วก็จะเป็นดอกบัวที่หอมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําสกปรกเหล่านั้นหรือจะดอกบัวจะอยู่ในที่น้ําใสก็ได้แต่ว่าน้ําเหล่านั้นก็ไม่แปดเปื้อนฉันใดผ้าหานทั้งหลายจะรับทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ดํารงอยู่ในใจของท่าน น, นะไม่ปฏิสถานอยู่ในใจของท่านเพราะใจของท่านดํารงอยู่ด้วยสติปัญญาเน่ยนะนะเพราะ ท่านดารงอยู่ด้วยสติปัญฐานท่านดํารงอยู่ด้วยสัมมาสติท่านดํารงอยู่ด้วยสัมมาปัญญาดํารงอยู่ด้วยอิทธิบาทดํารงอยู่ด้วยอินทรีย์ดํารงอยู่ด้วยภะระดํารงอยู่ด้วยพ่อชองดํารงอยู่ด้วยองค์มรรคเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมตั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าใดเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกสัมผัสท่านเฉพาะปัญจทวารแต่ไม่ได้เข้าถึงมโนทวารแต่ท่านก็ไม่โง่ท่านรู้ทุกอย่างเลยแหละถ้าท่านขาวจริงท่านก็ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเช่นใดนะพระองค์บำเพ็ญบารมีเวียนไหวตายเกิดไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอย่างไรพระองค์เล่าให้ภาษารีบบตรฟังว่าเรานั้นในยุคพระวิปัสพระสิขีพุทธเจ้านั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าอรินธรรมะ เลี้ยงดูพระพิสุสง์ก็คือทําบุญถวายทานแด่พระภิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ําสําราญด้วยข้าวด้วยน้ําเราได้ถวายผ้าอย่างดีเป็นอันมากไม่น้อยนับโกดผืนได้ถวายยานคือช้างที่ประดับแล้วแด่พระสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ท่านคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับท่านสิ่งใดที่เหมาะสมที่สุดท่านคิดว่าดีท่านก็จะทําสิ่งนั้นเป็นพุทธบูชา เราช่างกับปิยพันธ์ด้วยประมาณเท่ายานคือช้างแล้วน้อมถวายไอ้คําว่าถวายช้างเนี่ยหมายคำว่าเอาช้างมาบูชาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เอาช้างเนี่ยมาช่างว่าน้ำหนักช้างเท่าไหร่แล้วตีเป็นมูลค่าควรเท่าไหรก็เอาของอันนั้นอาไปทําบุญแทนอันนี้เขาเรียกว่าถวายช้างนะเนี่ยหมายคำว่าเราช่างกับปิยพันธ์ด้วยประมาณเท่ายานคือช้างแล้วน้อมถวาย เรายังจิตของเราที่ตั้งมั่นคงเนี่ยให้เต็มเปี่ยมด้วยปีติในทานเป็นนิด น, นะเพราะว่าเจตนาของท่านก็ไม่อิ่มในการให้ท่านเป็นพระราชาที่มั่งคั่งมากเพรา ะ, ะนั้นก็ให้วัตถุได้ไม่มีจํากัดแล้วนาบุญเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหันต์ตสาวกทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นท่านเลยมันปลื้มใจหมดนะปลื้มใจทั้ง ศรัทธาที่ตัวเองได้ทำไปว่าเราก็เป็นผู้มีเราก็เป็นผู้มีศรัทธาปลื้มใจในของที่ให้ก็ได้ให้ของที่ประเนีตที่อยากจะให้ปลื้มใจในผู้รับว่าผู้รับก็เป็นผู้ส่งคนเพราะฉะนั้นปีติในทานนี่จึงมีเป็นอันมากนะเพราะว่าอย่างผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยกุศลจิตเพียบพร้อมของที่จะให้ เพียบพร้อมต่อผู้รับเนี่ยนะปันยืนก็ระลึกถึงว่าจะให้อะไรนั่งก็ระลึกว่าจะให้อะไรนอนก็จะระลึกถึงว่าจะให้อะไรอยู่ในอิริยาบถไหนน้อมไปเพื่อการให้กลายเป็นว่าเหมือนอย่างว่าพระองค์ตรัสว่านายมาลาการผู้ฉลาดสวนดอกไม้มันดอกไม้ทั้งป่าเนี่ยนะดอกไม้งามๆดอกไม้เบญจพรรณทั้งนั้นอะ่ะแล้วฉลาดในการตกแต่งดอกไม้แล้วเขาจะทําอย่างไรฉันใดพระราชาพระองค์นี้ก็ ฉันนั้นก็เป็นนายมาลาการผู้ชลาดรวบรวมกองดอกไม้ประดับตกแต่งให้ได้งดงามฉันใดท่านก็เป็นพระราชาผู้ฉลาดน้อมวัตถุและทยธรรมทั้งหลายไปบูชาผู้ที่ทรงคุณธรรมเหล่านั้นก็หมายคืาว่าบูชาด้วยปัจจัี่คือการบูชาเหล่านั้นเนี่ยนะก็อยากสังเกตดูก็คือมุ่งมุ่งว่าให้สำเร็จประโยชน์แก่พระรัตนตรยนั่นเองเนะพระสิกขีพุทธเจ้า ผู้นำผู้นำอันเลิศของโลกนะผู้นำชั้นสูงสุดก็คือผู้นำผู้อื่นให้พ้นจากทุกจึงเรียกว่าผู้นำที่แท้ถ้าชักชวนผู้อื่นไปตายอันนี้ก็าไม่เรียกว่าผู้นำนะแต่ถ้าคำว่าผู้นำในที่นี้หมายว่าผู้ที่นำไปสู่ความสุขและความเจริญพระสิกขาพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้พยากรณ์เราว่าอีกส1อกับนับจากนี้ไปท่านจกได้เป็นพระพุทธเจ้า พยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่พยากราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อัธยาศัยก็ยิ่งใหญ่อย่างนั้นถามว่าจะปลื้มขนาดไหนแล้วก็ไม่ใช่พยากรเฉพาะบอกจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าไปลอยๆบอกด้วยหมดนะอีก31กลับพระถตาคตคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมอย่างนี้เนี่ยจะออกพินิษสกออกบวชจากกรงกริลพัดอันน่ารื่นรม ไม่ใช่เมืองแบบแม่อยู่ไม่ได้แล้วอาหิวาตะกะโรคลงตายระบาดกันเป็นเบื่อไม่ใช่เป็นเมืองที่ทนะรง่มเย็นหน้าเรื่อนรมบริบูรณ์ภูณสุขไปด้วยข้าวปลาอาหารหมายว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ก็ออกบวชเหมือนนแล้วก็มาทําความเพียรทำทุกขะกิริยาปองรู้ด้วยนะว่าท่านจะต้องไปทุกข์ไปยากไปลําบากนะก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ปลื้มมันนะให้มันเป็นก่อนเถอะมันจะยากก็ช่างมันเถอะขอให้มันได้เป็นเอาใช้ได้ละ พระตถ า, าคตผู้สร้างบารมีมาจนเต็มเปี่ยมประทับนั่งณนะโคนต้นอชปาลนิโครธรับข้าวมาทุปยายญาณณที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมาทุปยายญาณที่ริมฝั่งแม่น้ำเ น, ำเนรัญชร า, านนะก็เป็นไงบ้างต้าเพียนสีเห็นนันะริมฝั่งแม่น้ำเ น, ำเนรัญชราเนี่ยนะนะก็ก็เห็นทรายเห็นก็เห็นน้ําไหลเหมือนกันนนะนนิดหน่อย ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราหลังจากสเสวยเสร็จพระองค์ก็เสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้นะก็คือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่กระทำประทักษิณโพที่มันทสศฐานอันยอดเยี่ยมพระองรรค์ก็จะตรัสรู้ณโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอสัทธาก็แสดงว่าพระองค์นี้ไปถึงก็แค่คาว่าประทักษิณก็คือเอาที่นั่งเนี่ยไปปูที่ใต้ก่อน ปูเสร็จมันก็มั น, ม, นมันก็อะไรนะมันสไหวเหมือนกับน้าอ่ะนะเหมือนกับน้ามันละลอกอะ่ะมันมันไม่นิ่งอะ่ะแล้วก็ไปปูทิ่ตะวันตกก็เป็นเหมือนการไปด้านทิศเหนือก็เหมือนการพอไปวางทิศตะวันออกก็สงบนิ่งนั่นแหละก็เลยเรียกว่าปรททักษิณก็คือเวียนขวาไม่ใช่ท่านไปเดินเวียนแบบแบบที่เรียกว่าเอาเทียนไปให้หยดใส่มือแล้วก็เดินเวียนไม่ใช่แบบนั้นอนี้ พระองค์คือท่านผู้นี้นะแล้วก็อนาพยากรนะว่าออกออกบวชจากเมืองกระบิลพัทมาทําทุกกรกิริยาเสร็จแล้วก็มาสวยข้าวมาทุปายาจจะตรัสรู้ที่โคนต้นโพก็แปลว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนที่เหลือก็พระพุทธเจ้าจักรู้เองว่าจะต้องทําอะไรก็จะไม่พยากรณ์เล่าให้ฟังว่าท่านผู้นี้จกมีพระพุทธมารดาพระนามว่า พระนางมายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามตามโคตว่าโคตมะเนี่ยนะหรือว่าโคตมะโคตเนี่ยนะท่านผู้นี้จะมีอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายโกลิตะข้างขวาพระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตชอบเอาเข้มีจิตสงบมีจิตตั้งมั่น พิเศษนะว่าคุณสมบัติของผ้าหั่นคือไม่มีอาสะวะสี่กามาสะวะพวาสะวะและอวิชชาสะว ะ, ะทิถาสะวะด้วยนะอาสะวะนี่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องหมักหมมเนี่ยนะเช่นบอกว่าน้าดองในโลกเขาเรียกว่าอาสะวะเยนะหรือว่าสิ่งที่หมักหมมหมักดองหมักหมมมานาน ที่ไหนบอกหมักไว้ในใจชั้นใดพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่มีอาสะวะเหล่านั้นที่หมักเอาไว้แล้วท่านปราศจากราคะด้วยอาหารหันตมรักไม่มีอาสะวะด้วยทิฐาสะวะด้วยอนาคาคโสดาปฏิมรัคษไม่มีกามาสะวะด้วยอนาค า, ามีมรักไม่มีภวาสวะและทิฐาสวะด้วยอรหันตมรัคษปราศจากราคะด้วยอาหารหันตมรักษมีจิตสงบด้วยอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิเป็นต้น พระองค์มีพุทธอุปถากนนะคอยบำรงปรนิบัติรับใช้ชื่อว่าพระอนันทะจากบำรุงพระชินะพุทธเจ้าผู้นี้นะก็ขนาดว่าอย่างคนที่ไปบำรุงต้นโพไปบูชาต้นโพก็ไปวันตั้งสามสรอบ5้ารอบก็มีเนี่ยนะขนาดว่าพระอนอนต์เนี่ยไปวันละส8รอบมาเพราะกุฏิท่านอยู่ใกล้ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพเพลกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศถะต้นโพใบนี่ยนะพระองค์จะมีอัครอุปถาคชื่อว่าจิตตะ คือจิตตะครืหาบดีและหัตถะอละวะกะเนี่ยนะที่ที่พ้นจากมืออระวะกายักษ์น่ะนะที่ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์มีอัคารอุปทายิกาชิวนันนันทมาทาและอุตราพระโคโดมผู้มียศยศแปลว่าบริวารเนี่ยนะบริวารผู้ที่นับถือมากมายเนี่ยมีพระชนมายุร้อยปี ฝ่ายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับฟังพระพุท ธ, ทธดํารัสพยากรณจากพระสิกขีพุทธเจ้าอ น, นะผู้ที่พยากรณ์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอผู้ที่พยากรณ์นั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มปีติในใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธางกูลหมายก็ว่าเน่ยเน่ยต้นนี้นะปลูกแล้วจะเป็นต้นโพใหญ่นะเนี่ย แสดงว่าอนาคตต่อไปปลูกอีกใช้เวลารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอีกสามสับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะต้นไม้พันเนี่ยนะปลูกนานมากนะคือพันไหนบอกพันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพันพุทธวงศ์เนี่ยปลูกละหานใช้เวลาปลูกนานมากหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือโหร่ร่าเริงประคองอัญเชลีเนี่ยนะบอกดีใจมากทุกคนดีใจกันกหมดหวเราะดีใจนะขำแบบดีใจมีความสุขมาก พูดว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระาศาสนาของพระโลกกนาาพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นี้ไซอนาคตพวกเราจะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้ น, นะถ้าพลาดพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอพบพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็แล้วกันเหมือนว่าถ้าพลาดเรือลำนี้ก็ขอไปเรือลำหน้าพลาดรถคันนี้ก็ขอไปรถคันหน้าเป็นต้นนั่น เปรียบเหมือนอะไรเหมือนเมื่อมนุษย์จะข้ามแม่น้ำถ้าพลาดท่าน้ำข้างหน้าก็คือก็ถือเอาท่าน้ำข้างหลังนะคนพี่เรียกว่าคนหน้าใช่ไหมคนน้องเรียกว่าคนหลังมันว่าท่าน้ำข้างหน้าก็คือข้าหน้าก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้ข้างหลังก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่ติดติดตามมาข้างหลังเพราะฉะนั้นพูดอันนี้ฉันใดบอกว่าเมื่อคนที่ข้ามท่าน้ำข้างเฉพาะหน้าไม่ได้ก็คอยข้างหลังไปก็แล้วกัน ฉันใดพวกเราทุกคนถ้าหากว่าผ่านพน้นพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ได้ทำกิจในอริยศาสตร์ตรัสรู้ตามเลยอนาคตการพวกเราจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตฉันนั้นเหมือนกันจะต้องข้ามพ้นจากโอะสงสารข้ามพ้นจากกันดานตรัสรู้ตามแน่นอนนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาเลยนะ เชื่อว่าอริธรรมะเนี่ยพอได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าสิขีแล้วก็มีจิตเลื่อมใสปกติก็เลื่อมใสยอยู่แล้วนะได้ฟังอย่างนั้นก็ยิ่งเลื่อมใสใหญ่เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับไฟที่มันลุกโพลงสว่างด้วยเชื้อเพลิงเต็มที่อยู่แล้วใส่เชื้อเพลิงเพิ่มก็อีกก็ยิ่งลุกใหญ่ขึ้นอันนี้เหมือนฉันได้เขาบอกว่าปกติก็น้ําใสแล้วกรองให้มันใส ย, ยิ่งกว่าเดิมดีกว่าเดิมอีกมันก็อธิษฐานสมาทานข้อวัดคือ อัจฉริทานบีบนะนะคือเรียกว่าเร่งในการสร้างบารมีทั้งสิบให้เต็มบริบูรณ์อีกเนี่ยนะเร่งให้ทานเพิ่มขึ้นนะเร่งรักษาศีลเร่งเจริญเนฆะคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบขาเพิ่มพูนบารมีสิบเพิ่มพูนอุป ป, ปารมีสิบเพิ่มพูนปรมัทธปารมีสิบเพิ่มพูนมหาบริจกักเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งปวงรวบรวมทั้งหมดเพื่อจะได้เป็น พระพุทธนนเจ้านะอีกไม่นานแล้วเนี่ยนะเอกไม่นานแล้วเนี่ยนะของเราก็ไปเห็นสถานที่มาแล้วเงี้ยนะพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีทีนี้ตัต้งคำถามว่าทำไมมันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอะไรขนาดนั้นน่าจะบรรลุกันเร็วๆบรรลุกันง่ายๆเนี่ยนะก็อบอกว่าไอ้ที่บรรลุได้ยากเนี่ยนะหมายคมว่า ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ให้ให้ชนิดที่เรียกว่าให้แบบไม่มีที่สิ้นที่สุดอันอย่างใครที่ให้มรดกใช้ได้ในชาตินี้ก็ถือว่าให้อย่างมากเลยนะใครที่ให้ข้าวของเครื่องใช้ให้ของใช้ได้วันสองวันให้ของใช้ได้เดือนสองเดือนให้ของใช้ได้สิบปี20ปีหรือให้ของให้สมบัติให้ใช้ได้ตลอดชีวิตผู้นั้นก็เรียกว่านักให้ให้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไห ถ้าถามว่าคนที่ให้ประโยชน์โลกหน้าเขาไปอีกก็ถือว่าให้ได้มากขึ้นแต่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แค่นี้นะพราะองค์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์จะให้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติเนี่ยนะให้โสดาปฏิพนสั ก, กทาคามิผนอนาคามิผนอรหัตพลให้ปะนะให้สาวกบารมี พองค์เนี่ยคือผู้ที่ให้ให้อย่างเต็มที่การที่สร้างบารมีจะเต็มหรือไม่เต็มอยู่ที่ว่าพร้อมที่จะให้เขาเต็มที่หรือยังเพราะปกติสาหรับบุคคลทั่ ว, วไปเนี่ยนะไม่ค่อยพร้อมที่จะให้ะไม่มีใจเรียกว่าอะไรนะแอแฝงไปด้วยอะไรราลๆอย่างหรือการุณาไม่พอพันจะต้องเจริญบารมีเพื่อให้การุณาให้เต็มเปี่ยมนะมีความบริสุทธิ์ทุกความคิด แล้วมีปัญญาเนี่ยนะฟังอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณโดยย่ออยู่สามประการคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์นี้มีความบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นอายแห่งกิเลสพร้อมทั้งวาสนาอยู่เลยเนี่ยนะเขาเรียก ว, ว่าความประพฤติหมักหม ม, มหรือกลิ่นอายของคนเคยมีกิเลสเนี่ยไม่มีไม่มีแปดเปื้อนติดตัวสําหรับพระองค์เลยท่านวาสนาแปลว่ากลิ่นอายที่เหมือนกับว่าแบบอะไรนะ แบบยังมีกลิ่นแบบแบบนั้นอะติดตามมาแล้วกลิ่นสาบกลิ่นอะไรที่ติดตามมาเพราะงี้ไม่มีกลิ่นอายแห่งความแห่งโคลเคยคนเคยมีกิเลสแปดเปื้อนมาเลยเพันจึงเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสพร้อมทั้งว่าสนะกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทุจริตทางกายวาจาหรือใจเอางั้นผ้าหันทั่วๆไปมีทุจริตบ้างไหมบอกมีนะถ้าผ้าหันแบบทั่วๆไปท่านก็ยังมี ทุจริตเช่นบางองเนี่ยนะทุจริตทางกายเช่นกระโดดนะเช่นะเห็นว่ากระโดดก็คือว่าถือว่าขาดความสำรวมเล็กน้อยก็ถือว่าไม่ดีอะ่ะแล้วก็บางองเนี่ยก็มีคำพูดที่ไม่ดีเช่นว่าคนถอยอนะคนถอยก็คือเหมือนกับว่าพูดคำด่าคำแต่ไม่ใช่บัตรธรมด้วยโทรศะแล้วก็ผ้ารหับางองค์ท่านก็ยังคิดไม่ดีก็คือคิดไม่ต้องสอนใคร เพราะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าควรตาหนินะไอ้ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอาท่านมาตาหนิมาประจานแต่ถ้าเทียบกับระดับสูงแล้วถือว่าดีน้อยนะหรือไม่ดีเพราะพระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจไม่มีการขวนขวายน้อยทางกายวาจาและใจที่จะ แสดงธรรมเป็นต้นที่จะเกื้อกูลของผู้ต่อผู้อื่นนั้นพระ อ, องค์จึงเป็นผู้ให้ให้แบบไม่มีที่สุดเนี่ยนะให้ได้ตลอดเวลาเขาจะบรรลุเวลากลางวันให้กลางวันจะบรรลุกลางคืนให้กลางคืนจะบรรลุเพราะฟังธรรมทั้งคืนพระ อ, องค์ก็จะเทศให้ฟังทั้งคืนบนรรลุตั้งแต่เชา้าเทศตั้งแต่เช้าไปจนเย็นแล้วเขาจะบรรลุจะบรรลุได้ตอนไหนบนรรลุก่อนฝนตกหลังฝนตกกลางคืนกลางดึกกลางวันแดดร้อนเพียงสอนได้หมด่ะนะ มาเพราะว่าเขาจัดเครื่องสการะต้อนรับก็ได้ไปให้เขาดา่าก็สอน่อางั้นเถอะขอให้เขาจะได้ตรัสรู้พันจึงไม่มีปริมาณที่จำกัดแม้แต่นิดเดียวพระองค์จึงให้ประโยชน์แก่สรรพสัตว์โดยทั่วหน้า